เช้าตอนที่พูดถึงอประวัติหลวงพ่อเทียนเราก็ได้เอ่ยถึงวัดหนึ่งนะที่หลวงพ่อคำเขียนได้ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียนเอ ท, ที่ว่าไปนะานเนี่ยวัดโพธิญาณเนี่ยจริงไม่ใช่นะมันต้องเป็นวัดป่าพุทธิญาณเดี๋ยวนี้ความจําไม่ค่อยดีแล้วบางทีพอจะนึกถึงชื่อหรือนึกถึงอคําใดขึ้นมาเนี่ยมันนึกไม่ออกนะเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ทีแล้วนะ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 ท่องได้นะติดใจแต่พอจะนึกนะนึกไม่ออกพอผ่านไปช็อกพักอา้าวนึกขึ้นมาได้นะอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะว่าเออคงเป็นไหวนะที่เริ่มอ่าอ่าชลานะสมองก็เริ่มมีปัญหาในการจำขึ้นมานะก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าความเสื่อมของสังขารนะก็ถือว่ามันมา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 เป็นนักดนตรีอายุสักเกือบเจ็ดสิบแล้วจูจูอ่านตัวโน้ตไม่ออกไม่ใช่ตาบอดนะเห็นนะแต่ว่าไม่รู้ความหมายอ่านหนังสือเนี่ยก็รู้นะว่าสารเอกอไก่นะขอไข่นะแต่นี่เขาเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เขาไม่สามารถจะอ่านเป็นตัวได้นะไม่สามารถจะอ่านเป็นตัวได้คือไม่รู้ความหมายนะรู้ว่าเนี่ยเส้นเนี่ยนะ เอเนี่ยก็มีเส้นสองเส้นแล้วก็มีขีดตรงกลางแต่ไม่รู้แม้แต่ว่ามันคืออักษรเอนะเขาก็ทุกมากเลยนะเพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะอ่านหนังสืออะไรได้เลยนะอย่าว่าแต่อ่านโน้ตนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะเรียนรู้วิธีที่จะใช้ความรู้ทางด้านอื่นแทนนะเช่นอาศัยอาศัยการ การเดาเอานะพอใส่การเดาเอาเนี่ยเขาก็เดาได้ดีมากนะรวมทั้งการจําด้วยเขาอ่านโน้ตไม่ได้เนี่ยแต่เขาจำโน้ตได้แม่นมากจําได้แม่นกว่าสมัยที่ยังไม่มีอาการนิสันะคือฟังเพลงครั้งเดียวเนี่ยเขาก็จําได้เลยแล้วก็ก็สามารถที่จะเล่นเพลงได้โดยที่ไม่ต้องอ่านตัวโน้ตนะี่ขนาดเกือบเกือบเจ็ดสิบแล้วนะสมองเนี่ยมันพัฒนาความสามารถด้านอื่นมาแทนที่ อ่าหนังสือไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าความจํานี่กลับดีขึ้นกว่าเดิมอีกคนนึงเป็นเส้นเลือดในสมองแตกโคมา่าฟื้นขึ้นมาพูดไม่ได้ฟังเสียงคนไม่รู้เรื่องได้ยินเสียงนะแต่ไม่รู้ความหมายนะไม่รู้ความหมายมันก็ได้ยินเสียงรถเสียงแต่รถเสียงจั ก, กรจันได้ยินเสียงทุกเสียงแต่ว่าไม่รู้ความหมายที่เป็นภาษาคนเขาก็ทุกข์มากนะ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 เช่นเวลาเขาดูนักการเมืองให้สัมภาษณ์เนี่ยหรือแถลงแถลงข่าวเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าตอนไหนที่นักการเมืองเนี่ยไม่จริงใจหรือโกหกนะไม่รู้ความหมายนะแต่ว่าความสามารถในการที่จะอถอดความหมายจากน้ำเสียงเนี่ยนะก็มีคนบางคนตามเบาตั้งแต่เกิดนะแต่ว่าเวลาไม่ใช่ตั้งแต่เกิดนะ คือพอโตมาได้สักสักโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะรู้ความหมายเลยรู้ภาษารู้อะไรแล้วอ่านหนังสือออกแล้วแล้วตาบอดเนี่ยนะเวลาเขาสัมผัสอักษรเบรล์นะเขาจะเห็นเป็นตัวหนังสือเนี่ยโผล่ขึ้นมาในสมองเ้าเลยเห็นเป็นตัวหนังสือเลยนะหรือเวลาฟังเสียงหนังสือแบบห น, งนังสืออ่านนะ่นะหนังสือที่ใช้คนอ่าน แล้วก็อัดเทปเนี่ยเขาก็ฟังเนี่ยในหัวเขาเนี่ยจะเห็นเป็นตัวหนังสือเลยนะเรียงมาเป็นประโยคๆเลยนะอันนี้เรียกว่าความสามารถนะของสมองเนี่ยมันมันทดแทนกันนะจากเดิมที่มองอะไรไม่เห็นนะแต่ว่าสามารถจะสร้างภาพในใจขึ้นมาได้คนที่เป็นใบก็เหมือนกันนะคนที่เป็นใบานะบางทีเห็นมาเป็นใบตอนตอนโตแล้วนะ พอเห็นตัวหนังสือเนี่ยมันเกิดเสียงขึ้นมาในในหัวเลยนะหรือว่าเวลาเดาวปากคนไม่ได้ยินนะแต่ว่ามันได้ยินเสียงเขาพูดเนยอยู่ในหัวเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าสมองคนเราเนี่ยมันมีความสามารถมากนะในการที่จะทดแทนของเดิมที่เสียไป อันนี้ไม่ใช่เป็น่องสมองเดี่ยเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของใจโดยใจของเราก็เหมือนกันนะคนเราเวลามีความทุกข์เนี่ยใหม่ๆก็ทนไม่ไหวนะแต่พอเจอมากๆเขาเนี่ยมันทนได้นะีไอ้ที่เคยหนักก็เคยก็กลายเป็นเบาเขาเคยให้คนเนี่ยสองกลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยฟังเสียงฟังเสียงเครื่องเครื่องดูดฝุ่นนะใส่เป็นฟังจากซาวเบาเลยนะคือมันดังมากนะไม่มีทางหนีพ้น ให้ฟัง5วินาทีนะ15วินาทีอีกกลุ่มหนึ่งฟัง45วินาทีกลุ่มที่สองกันนะแล้วทุกกลุ่มนี้เขาก็ให้เขียนให้คะแนนความรู้สึกใน5วินาทีสุดท้ายว่ารู้สึกอย่างไรสุกทุกแค่ไหนก็คงจะให้เป็นคะแนนนะว่าทุกมากนะก็ให้ไป10ทุกน้อยก็5หรือว่า3นะ เราพอจะเดาได้ไหมว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่มีความทุกข์มากนะมากกว่ากลุ่มอื่นมี2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งฟังสิบห้าวินาทีอีกกลุ่มหนึ่งฟังสี่ิบ้าวินาทีใครที่ใครที่ตอบว่ากลุ่มสองเนี่ยมีความทุกข์มากกว่าเนี่ยผิดนะกลุ่มแรกนะกลุ่มแรก5้าวินาทีสุดท้ายของกลุ่มแรกนี่จะทุกข์มากเลยนะหงุดหงิดลาคาญส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยฟังนานนะแต่ว่าห้านาที5้าวินาทีสุดท้ายขเขาเนี่ย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 อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์หนะ้าที่ว่ามีความสามารถในการปรับจิตปรับใจเจอความทุกข์นานๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะความทุกข์ความหนักให้ความเป็นความเบาแต่ถ้าเพิ่งเจอใหม่ๆเนี่ยก็จะทุกข์มากคนที่เพิ่งเข้าคุกเนี่ยนะสามสี่วันแรกนี่ทรมานมากเลยแต่เพราะว่าเข้าคุกไปได้ทักสองสามปีเนี่ยนะก็จะเริ่มสุขสบายที่จริงเมืองอื่นไกลนะเข้าพรรษาเนี่ย นะพระที่มาจำมันษาวันแรกสงวันแรกนี่โอ้เจ็บสุดทรมานมากเลยแต่คนที่อยู่เป็นปีเนี่ยเขาเฉยมากแล้วสึกสบายได้ซ้ําคนที่เพิ่งมาจำมรนษาเนี่ยสองวันแรกจะรสึกเหมือนกับว่ามาอยู่คุกระบาดเนี่ยหรือมาอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่านะสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะแต่ว่าการปรับตัวไม่เหมือนกันนะคนที่อยู่นานเขาก็ปรับตัวได้หรือคนที่อยู่แค่สองสมวันแรกเนี่ยรู้สึกทุกข์ทรมานแต่พออยู่ไปสัก อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เริ่มปรับตัวได้นะอันนี้ทำนองเนี่วคนที่เดินธรรมยาตาเนี่ยโหเดินธรรมยตรานี่เดินเป็นเป็นร้อยกิโลเนี่ยบางคนนี่เดินแค่ชั่วโมงแรกก็ไม่ไหวละทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแล้วก็สงสัยว่าคนอื่นเขาเดินกันได้ไงต้องแปดวันนะบางแห่งบางที่ก็เดินถึงสามสิบวันนะมีบางรายมีบางที่เนี่ยเดินตั้งแต่กรุงเทพไปปัตตานีนะสองสามเดือนพันกว่ากิโล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 ถึงแม้เหตุการณ์สภาพการยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าทําไดนะ้เพียงแค่เราไม่บ่นไม่โวยวายไม่ตีโพยติพายยอมรับมันเดี๋ยวสักพักก็จะรู้สึกดีขึ้นปัญหาไม่ได้ลดลงสิ่งว่าเลไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าใจมันดีขึ้นใจมันปรับตัวได้ดีขึ้นนะยิ่งถ้าเราฝึกสมาธิหรือว่ามีปัญญานะรู้จักมองมองแง่บวกหาประโยชน์จากมันอย่างที่พูดไว้เมื่อวานเนี่ยยนะิ่งปรับตัวได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยล้วกลับจะมีความสุข ในเวลาไม่นานอาละเตรียมรับพร